มีนะคณะอวจวงการมหารส่วนจังหวัดใจภูมมาปฏิบัติธรรมกันเป็นวันที่2แม่จีเรากพระนาตายทีเดียวเท่าที่ได้ฟังเสียงสวดก็มันก็ไม่ได้ดังกระหึ่มหรอกนะเสียงสวดแต่ก็พยายามเปล่งเสียงออกเสียงกันอยู่ตามสมควร อันนี้แหละคือเราต้องมาพัฒนากันความเป็นชาวพุทธให้เป็นชาวพุทธนะที่เข้าถึงทั้งศาสนพิธีจนกระทั่งถึงศาสนธรรมสมัยเจ้าชัยสิทธะสมัยพระเจ้านั่น ลงมือกระทาหลังจากมีต้นแบบมีพวกโยคียพวกเทวทูตแสดงตัวออกมาคนแก่คนเจ็บคนตายพร้อมทั้งสมาะผู้สงบก็เลือกที่จะเดินทางสู่การพ้นทุกข์เป็นผู้สงบค้นหาจนมีความสำเร็จลงมือทา มันเกิดศีลเกิดทรขึ้นมาจนเห็นความดีอยู่ตรงไหนที่ดีแล้วเป็นมงคลด้นะมังคละมันมีมงคลกปรบมงคลจนกระทั่งท้ายสืดมาพูดบอกต่อๆกันไปแต่ตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นที่สนพิธีก็ได้นะ่ะสวดมนต์ทำวัด การอาบน้าําอาบท่าเพื่อที่จะใส่เสื้อผ้าหรือว่าแต่งหน้าแต่งตาต่อไปสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติกันต่อไปเพื่อเข้าวถึงศีลถึงธรรมเรามาสวดกันเรื่องมงคลแล้วก็เรื่องของการมาสูตรก็คือมันมีคูบาอาจารย์เยอะเดินผ่านไปผ่านมาในาสมัย ก, การจะมีคนมาถามที่หมู่บ้านกลรมาชนว่า ใจเชื่อท่านไหนดีนะสนใจเจตบุตรนะมีหลายคนหลายท่านก็ไปสอนกันก็สอนกันไปแตกต่างกันไปทายสูรพจารก็บอกว่าเออนะอย่างที่เราสวนกันนะนะั่นแหะให้ดูทำใดเป็นกุศลทำใดเป็นอกุศลนะทาใดปฏิบัติแล้ว มันเป็นความเจริญผู้รู้สารเสรินผู้รู้กติเตือนทั้งติเตือนทั้งตักเตือนนะฮะเราก็เออไปสังเกตจางท้งเรามาอยู่วัดบาที่วัดป่าสุขกโตแล้วก็ใช้เวลาใช้การปฏิบัติอย่างเช่นที่นี่จะมีหลวงพ่อคำเขียนนนะท่านเป็นประธานสง อย่างที่เห็นกันอยู่นี่ก็ท่านไม่อยู่หรอกท่านตั้งสำนักนี้มาเพื่อที่จะฝึกการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวให้แนวหลวงพุเทเดียนตอนหลังท่านก็พูดถึงสภาวะผู้ดูผู้ดูผู้ดูคือให้มันง่ายในแง่ของคนมาปฏิบัติการเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงต้องมีตาในตาที่3มตาสติตาปัญญาหรือท่านชอบพูดว่าตาวิเศษตาวิเศษ ตาเนื้อมันเป็นเรื่องปกติ ท, ทั่วไป mm hmm. สัตร์ศารลาสิงก็มีตาบาีตาก็ดีกว่าเรา mm hmm. กลางคืนไม่ต้องใช้ไฟฉาย mm hmm. แต่มนุษยังต้องใช้อยู่เ mm hmm. พื่อแมวอย่านะกลางคืนตายจะสว่างวาว mm hmm. มองเห็นสัตว์ออกหากินได้กลางค่ำกลางคืน mm hmm. แต่มนุษย์มีตาใน ตาสติตาปัญญาตาความรู้สึกตัวเนี่ยตัวนี้มันเปิดสอดส่องรำเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงนี่หรือเรียกว่าเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องได้ยิ่งเรามาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะดูลมหายใจท้องพองยุบเนี่ยเป็นรูปแบบการปลุกการเปิดตาตาสติตาปัญญาได้เห็นตัวเองอะนะ เหตุการที่เราทุกข์มีกายก็ทุกข์กับกายอะนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะต้องหิวต้องกระหายต้องขับถ่ายเอาเข้าเอาออกใจของเราเนี่ยสำคัญถ้าไม่รู้จักนี่มันจะทุกข์เพราะความคิดคิดปรุงแต่งตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งตัวนั้นนะมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดภพชาติ เกิดอารมณ์ต่างๆกันมามากมายแล้วก็เกี่ยวข้องกันไปเกี่ยวข้องกันมาไม่มีกระบวนการยุติธรรมเรื่องของกายเบียดเบียนใจด้วยเรื ง, งใจก็เบียดเบียนกาด้วยเราก็โทษเราคนอื่นก็ทําให้เราทุกข์มองออกไปนอกตัวพอเรามาสู่วัดวาลาามแล้วกลับมากลับมาปฏิบัติธรรมนวัดจิตวัดใจของเรา อย่างที่เคยพูดบ่อยๆว่าออกิโลนี่มันวัดน้ำหนักของเราตลับเมตรนี่มันวัดความยาวกระดาษลิสมันนี่มันวัดกดวัดดา่างเงียนะเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไ ม, ป ม, มยบาลอมิเตอร์มวัดความกดอากาศมันมีการวัดได้เป็นวิทยาศาสตร์ เรน่อของพุทธศาสนาเนวัดจิตวัดใจการมาวัดวาราม น, นี่นะก็วัดว่ามันเป็นบุญเป็นบาปอย่างไรและเรียกว่ามันปกติหรือไม่ปกติอย่างไรบางทีมก็คิดไปอดีตเป็นสุขเป็นทุกข์ที่คิดไปอนาคตเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างเงี้ยบางทีก็ปัจจุบันนี่แหละนะมันมองไปมันก็คิดต่อวิพาวิจารณนะ์คิดแบบกล่าวโทษแบบบน่นะคิดแบบเรื่องราวตีความมากมายเหตุผลถูกผิดเปรียบเทียบ จะบางทีมันเป็นมานะที่ิีไปเลยนะีเป็นมานะมีชนชั้นขึ้นมาเลยบางทีก็เปรียบเทียบตามใจตัเองเข้าข้างตัวเองมากมายแล้วกันเรียกคิดแบบเหมือนกับว่าปรุงแต่งจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของเพอร์เจอร์เป็นเรื่องของการหลอกตัวเองหลอนตัวเองจนทั่งเสียพูดเสียคนไปก็มีไปหลอกจิตโลอประสาท พอเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราก็เห็นอ๋อมันมีนกลไกการแก้อยู่ในตัวก็มันเป็นเสร็จทุกครั้งที่กลับมารู้ลมหายใจหรือว่ารูดท้องพองยุคแต่ว่าที่นี่วัดป่าสุตตรรรมเสนอวิธีให้กลับมารู้การเคลื่อนการไหวเบื้องต้นเลยของกายเจ็ดนาเคลื่อนมือสิบสีจังหวะหลวงจันนาเดินจงกรมจนกระทั่งมันมีสติรือว่าตาในมันเปิด เห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริงอาการของกายก็ถูกรู้ถูกเห็นนะที่เคยเห็นเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมันเห็นเป็นธรรมชาติขึ้นมามันเกิดปัญญาเกี่ยวข้องอย่งถูกต้องเงี้ยนะเห็นรูปเป็นทุกข์เงี้ยเห็นรูปเป็นโลกเห็นอาการของกายจะเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมมันมีอาการจิตใจของเราก็เป็นนามธรรมมีอาการ หรือว่าการคิดเนี่ยจิตที่หลงเผลอไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสติขาดสติปัฏฐานมัจะหลงก็ไปนในความคิดอย่างนี้เมื่อหลงก็ไปนในความคิดแล้วมันก็เป็นอะไรมากมายเหลือเกินทํางานทําการผิดกรอผิดก ฎ, ผ, ดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดธรรมจนทางท้ายสุดก็คือเขาเรียกว่าบาปทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ ที่ลูกก็ทำให้พ่อแม่ทุกเ่นะนะเพราะว่าอาจารส์ุกษนเกินไปนะหรือว่าถูกอาหารนะมันปลุกเราจนให้พลังนะเป็นพลังงานของกูโคสอย่างเงี้ยนะกินหวานจัดนะกินมันจัดทนะ้ายสุดก็คือมันก็ต้องใช้พลังนะไปเรียนก็อาจจะกลายเป็นเด็กเกเรไปเลยนะแต่ก็มีวิชาพะละรองรับให้นะมีโรงเรียนกีฬารองรับให้นะ ก็อยากจะโกมวยก็ไปเรียนรู้อย่างเป็นศิลปะในการต่อสู้อย่างเงี้ยนะก็มีลักษณะของการแข่งขันจะต้องได้ตัวเยาวชนติดทีมชาติไปเลยแล้วก็ส่งแข่งขันเป็นระดับโลกไปเลยเรียกว่าใช้พลังให้อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันดูแล้วมันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นกว่ามาเป็นประโยชน์ซะให้เป็นเรื่องของความเก่งเด่นดังไปเลยเขาก็สลับสนกัน อีกอันก็คือกำลังของจิตนะบางทีเรามีสมองดีไอคิวดีแต่ว่าไอคิวดีเฉยๆมันยังไม่พร้อมต้อง e q ดีด้วย EQ ก็คือฉลาดทางด้านอารมณ์แล้วก็มอรอน MQ กเ็นี่ยจะต้องยิ่งดีเป็นเรื่องของคุณธรรมต่างๆเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จิตมีความฉลาดอยู่กับธรรมชาติด้วยความกลมเกลืน อยู่ที่ไหนก็ปรับเนื้อปรับตัวอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่วัดป่าสุกโตอนี้นะเร า, าปรับตัวเข้าอากาศของวัดป่าสุกโตได้ไหมที่นิมทีกลางคืนมก็เย็นนะบางวันนี่หนาวเลย1จ็ดเก้าองศายี่สองศามันต่ำกว่าห้องแอร์องนี้นะบางทีปรับตัวเข้าอาหารการกบฉันอาหารตามมีตามได้อย่างนี้นะอาหารมาจากธรรมชาติที่เราชอบเนื้อสัตว์ชอบเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดมันจัดอย่างนี้นะ เราก็ปรับตัวหรือแม้กระทั่งการหลับการตื่นเวลาไงนะเคยนอนตื่นสาย7จ็ดมงแดมงวันเสาร์ที่ที0 0 0มงเช้าอยู่ที่นี่ตีสต้องลุกแล้วบางทีมันก็มีอาการมัวเหงาหานอนอาการมึนๆเบลอๆหนักหัวอะไรเงี้ยมก็ต้องปรับหนึ่งวัน2วันสาวันหลายๆวันจนคุ้นชินขึ้นมาก็เลยว่ามันพร้อมที่จะใช้ชีวิตกับการทำกิจวัตรประจาวันต่างๆ ตรงนี้แหละคนที่มีแล้วณนะของ MQ มคิโมรอนก็จะเข้าแบบแนบเนียนคมกลืนอยู่ในโลกเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องนะอันนี้มันเป็นความฉลาดในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งมีมภัยเยอะมากนะมีภัยเยอะจริงๆโดยเพราะไอ้สิ่งที่เรามาเรียนรู้กันที่วัดป่าสุขตเขาเรียกว่าภัยวัตสงสารมันเป็น ภันะที่เกิดจากเราเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัตเนี่ยนับพบนับชาติไม่ท่วนภัยที่เกิดจากความคิดนะของเราเนี่ยถ้าเรารู้เท่าไม่รู้ทันเราหลงเข้าไปน้ำปรงแต่งเป็นพบชาติชรลามรณะเลยเกิดดับเกิดดับคุ้มดีคุ้มไร้ตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้นะประเดี๋ยวลงกับปกตินะบวกบวกรบๆบรบางทีก็รู้ได้อย่างเช่นวันนี้เราปฏิบัติกันกลุ่ม อ, อวจอก็จะเห็นว่านะ ช่วงเช้าเราประเมินกันแล้วม่วงนอนมากไงนะม่วงนอนมากพอตอนบ่ายปรากฏว่ารู้สึกตัวกันมากขึ้นบางคนนี่หายง่วงปลิดทิ้งเลยเห็นเดินแบบตื่นตัวเลยทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่มาวันที่สองเอ ง, งนะมันก็บอกถึงกําลังของสติของสัมมัญญากาลังของไหวพิปิพานที่มันมีอยู่ในขณะที่เรารู้สึกตัวเดินจงกลมนั่งสร้างจังหวะเราพยายามที่จะผลิตธาตุรู้นะ ปลุกิตให้มันตื่นออกมาดูเห็นตัวเองเห็นกายตามความเป็นจริงเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นอาการของกายมากมายทั้งวันเห็นจิตตามความเป็นจริงเป็นนมามธรรมเห็นนะแล้วก็เห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่ซ้อนๆขึ้นมาจริลีดนิสยัยวิสัยสันดานียมันจะแสดงออกมาให้เรารู้จักตัวเราเรารู้จักผู้อื่นมามากแล้วรู้จักผู้อื่นวัตถุหนึ 1, 2, 3, ่งสอสบุคคลหนึ่งสอสาภายนอกนะ เหมือนกับหลงแสงสีเลยก็ว่าได้อย่างนี้ น, นะแล้วก็เหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟหรือเหมือนกับผึ้งเวลามันเห็นไฟมันมาเล่นไฟเห็นนะหลายคนเวลาอยู่กับความคิดก็ไปเล่นกับความคิดหรือจะเปรียบอีกทีนึงก็เหมือนกับนกนะที่นิมจะมีนกเวลาแทงน้ํามาใหม่ๆนะรือว่ากระจกติดใหม่ๆหรือว่าจอดรถบางคันที่จอดไว้กระจกใสๆมีเงาไงนะ มันบางตัวเนี่ยก็จะหลงเงาตัวเขาเองเขาจะไปจิกอยู่ที่กระจกนั่นแหละท้ายสุดอาตมาก็เห็นบางตัวเนี่ยตายเลยนะไม่กินข้าวไม่กินน้ำเขาจิกเล่นเงาของตัวเองจนกระทั่งเขาตายอยู่ตรงนั้นเลยพอตอนเย็นๆเดินไปเนีเ่ยอ้าวตายซะแล้วหรือว่าเหมือนกับพึ่งแลก็เล่นไฟนะบางทีก็ตอมไฟนะบางทีไฟมันเปิดนานๆนลก็ก่อหลอดไฟแล้วก็ตกลงมาตายน่อจะกมันร้อนอย่างนี้นนะ บางทีเราไปเจอกับความคิดแล้วไม่รู้จักความคิดมันเป็นของร้อนนะไม่ได้เจตนาคิดคิดห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงสุขภาพอย่างเงี้ยมีความทุกข์เพราะหน้าที่การงานมีความทุกข์นะเพราะว่าเราหลงหลงไปในความคิดการปารุงกันแต่งรั้วอารมณ์ที่เรารู้ไม่เท่าทันปรากฏขึ้นมามันเป็นของร้อนพอเรารู้จักทางออกมหาติฐานสูตรนะมันบอกทิศทาง เป็นทางออกหรือว่าอาริยมรรคในองค์แปดเนี่ยนะมันเป็นทางออกเป็นทางหนีไฟทีเดียวสิ่งที่ร้อนรุ่มอยู่ภายในจิตใจสิ่งที่ไม่ปกติมถูกปรับสมดุลทันทีมันเป็นทางสู่มรรคสู่ผลเป็นทางที่จะพาให้เราพ้นทุกอยนะเราก็ได้เห็นแล้วนะวันนี้โดยเฉพาะนะความคิดที่มันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะ บางทีมันก็รู้เท่ารู้ทันเกิดความเป็นเองขึ้นมาบางกล้งบางคราวเราก็ไม่ได้กําหนดหรอกแต่เพียงแค่ว่าจิตมันมีนิสัยที่มันจะมีสติตื่นรู้อยู่พอมันคิดปับ๊บมันก็รู้ทันเลยอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันมันก็จึงเป็นเรื่องของพวกเรานะที่มาสู่วัดสุวานะไม่ว่าเนนเด็กๆจะมาบวชก็ตามหรือว่าคนโตผู้ปกครองนะเราจะมาอยู่วัดสุวาเพราะว่าเนน กุลบุตรกุลธิดาพาเข้าวัดก็ตามใกล้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะก็คือเรามาฝึกนะรู้จักตัวเราเองกันนะเรารู้จักผู้อื่นมาเยอะนะเรารู้จักสิ่งอื่นวัตถุอื่นมามๆอยางี้นะจนเกิดวิชาการขึ้นมาเรียกว่าความรู้รอบตัวนะอย่างนั้นนะบทนี้เราลองมารู้รอบกองสังขารบ้างนะรู้จักการู้จักใจของเราท้ายสุดจะเกิดมงคลขึ้นมา เกิดมังคละขึ้นมาก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นบัณฑิตการครบบัณฑิตก็คือการครบกับความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวกายเคนหวใจรู้กายทำอะไรใจทําด้ว ย, ยนะเมื่อก่อนเราครบกับความคิดเมื่อเราครบกับความคิดแล้วมันก็พาไปอดีตบ้างอนาคตบ้างหลงโลกบ้างะ หลงตัวเริ่มตัวบ้างอย่างนั้นนะบัดนี้เรามาฝึกให้มันมาคบกับบัณฑิตก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยการเคลื่อนไหวแต่และนะนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวอย่างนี้เบื้องตน้นท้ายสุดเกิดปัญญาแตกฉานไปเองเรื่องของตัวเราเรื่องของรูปที่มากระทบทางตาลวดตาไปกระทบกับรูปนะแล้วก็คิดปรุงแต่งไปมันก็จะฉลาดขึ้นมาต่อมาจะรู้จักเรื่องของความคิด ตาดูมันคิดต่ออย่างเงี้ยนะมันคิดต่อปรุงแต่งเพราะว่ามันหลงไปจากเนื้อจากตัวน ะ, นะเบื้องต้นเลยราเย็นะเออมันฝึกได้สอนไดนะ้เป็นการฝึกตนสอนตนนะเหมือนกับสมัยพุทธกาลนะมีพระสารีบุตรนะเดินบินตบาทอยูนะ่ก็มีเด็กนะเล็กๆอยู่คนหนึ่งเสนะร็จแล้วเดินตามนะไปบินตบาทกับนพะระสารีบุตรอย่างเงี้ยนะนะ เสร็จแล้วไปเห็นรอบๆตัวเห็นชาวนาเห็นช่งางก็ถากไม้เห็นชนนน่างตโนก็ดัดลูกศรเสร็จแล้วก็มองตัวเองว่ า, าการที่เรามาปฏิบัติธรรมบวชเป็นสามเณร เ, เนี่ยเราก็ต้องฝึกตนสอนตนเสร็จแล้วก็ขอลาจากภาษาลีบุตร ขอกลับไปเดินชมกลมอยู่ที่วัดยังไง น, นะเสร็จแล้วพระเจ้าก็รู้ว่าสัมมเนรรูปนี้กำลังจะบรรลุธรรมภาษารีบุตรกลับมาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปทักอย่าเพิ่งไปใช้คําพูดปล่อยให้สัมมเนรรูปนี้บรรลุธรรมก่อนยังไงนะท้ายสุดจะมีคําพูดว่าชาวนาไขานาเข้าน้ำํำช่างลูกศรก็ดัดลูกศรช่างไม้ก็ถากไม้ วิสัยบัณฑิตนะ่ยคนที่เป็นบัณฑิตก็ต้องฝึกตนสอนตนอย่างนั้นนะมีคําพูดประโยคนี้ขึ้นมาจําเป็นโลโก้ของวัดป่าสุกตนในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์ก็คือสามารถฝึกได้ทุกคนถ้าเราเห็นว่าการฝึกตนมันเกิดประโยชน์อย่างนั้นนะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ฝึกเราท้ายสุดมันจะเห็นความคิดต่างๆไหลทะลักปั้งปลวกมา เป็นลัหษณะของวิบากกรรมเป็นอนิสงส์จากการทำดีมากมายบางทีก็มีความดีคิดขึ้นมาบางทีความไม่ดีมันก็คิดออกมาบางทีก็มีอารมณ์ไม่ดีมันผุดเกิดขึ้นมาบางทีมีอารมณ์ไม่ดีผุดเกิดขึ้นมาทั้งดีทั้งไม่ดีนะเราก็สามารถที่จะรู้เท่ารู้แทนได้ถ้ามีความรู้สึกตัวหรือ่มีสติมีปัญญาเงี้ยนะมันจะกลายเป็นพอเราฝึกดีแล้วมันจะมีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทามันจะเกิดสติขึ้นมาก่อน มันจะเป็นพื้นฐานของจิตใจเราเลยความเป็นปกตินี่แล้วก็จะมีสติขณะคิดขณะพูดขณะรรมมันจะเกิดสติการรู้รู้ขึ้นมาขณะคิดเป็นปัจจุบันนี่แหละขณะทำเป็นปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ขณะที่พูดเป็นปัจจุบันนี่แหละมันจะเกิดขึ้นมาคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำเราเห็นปรากฏการที่ความคิดมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยท้ายสุดก็คือหลังคิดหลังพูดหลังธทำมันก็สามารถที่จะ มีสติรึกรู้ตามแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อีกต่อไปก็เรียกว่าภาวนาจิตใจเนี่ยภาวนาแต่ว่าเรื่องของโลกธรรมภายนอกวิชาการต่างๆในโลกใบนี้เรียกว่าพัฒนาเมื่อเราจะพัฒนาข้างนอกเราพัฒนาตัวเราจะพัฒนาตัวเราก็จะพัฒนาที่จิตใจของเราจะพัฒนาที่จิตใจของเราก็ต้องมีสติประฐานสี่ลงไปอย่างเงี้ยนะสติคือการ ร, กรู้รู้ สัมัยาก็รู้ตัวทั่วพร้อมนีเมื่อเรามีสติมีสัมผัสยารู้ตัวทั่วพร้อมมันก็กลายเป็นมีบ้านอยู่จิตใจของเรามีที่อยู่อยู่กับตัวสติให้สติมันพาคิดพาพูดพาทาให้สติมันสั่งเมื่อก่อนตัวหลงมันพาคิดพาพูดพาทาตัวหลงมันสั่งมันสั่งให้ทะเลาะกันมันสั่งให้พูดคำหยาบมันสั่งให้สูบบุหรี่มันสั่งให้ไปเล่นอินเทอร์เน็ต มันสั่งให้เล่นโทรศัพท์มันสั่งให้เรานะไม่เรียนหนังสืออย่างนี้นนะมันสั่งอีกหลายๆอย่างจนเกิดการเบียดเบียงตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นแต่ตอนนี้เรามาฝึกกันให้มันมีลักษณะของวิสัยบัณฑิตนะก็คือมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเราเห็นว่าเออนะพอฝึกไปฝึกไปนะมันก็การเปลี่ยนแปลงขึ้นไปนะกลายเป็นผู้ทีนะ่อยู่กับตัวเองได้นะพึงใจตัวเองได้นะ เมื่อก่อนต้องอาศัยพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งคนรอบๆตัวอีกหลายสิ่งหลายอย่างแต่บัดนี้เราอยู่กับตัวเองได้เรียกประโยชน์ตนฝึกตนสอนตนก็เกิดประโยชน์ตนขึ้นใหม่แต่ในทสุดกกลายเป็นการงานหน้าที่ต่างๆฐ า, า, านะาฐานะก็เป็นประโยชน์แทนต่อไปกลายเป็นสันที่สุขสันิภาพของโลกใบนี้มันก็เกิดจากการที่เรามารวมตัวกันในคราวครั้งนี้นี่แหละเราคิดจะทําดีพูดดีคิดดีโดยการที่จะเหมือนกับว่า ถือบวชเลยก็ ว, ว่าได้นะพวกนี้เป็นต้นไปก็จะมีสามเณรนะกับประมาณเจนนีถือบวชตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยนะจะมีพระพี่เลี้ยงนะที่อุทิศตนนะเป็นเพื่อนเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นหลวงพ่อนะหรือว่าหลวงนาหลวงอาหลวงลุงดูแลกันจนครบปาจระศึกกันนะ่ะก็เรียกว่าต้องเนต้องเหนยกันทีเดียวทีเดีย ว, ยวก็เป็นงานบุญนะอีกอีกอีกครั้งหนึ่งของวัดป่าสุขโตที่ปีหนึ่งเราก็จะมีครั้งหนึ่งนะ ที่เรามาร่วมกันคล้ายๆกับละชั่วธรรมดีํำระจิตทุกเพศทุกวัยเพศวัยมันเป็นอย่างนี้วัยอายุหนึ่งถึงสปีเนี่ยมันเป็นวัยที่เราศึกษาเ็าเรียกว่าวัยพรหมจันทร์ภาษาของผู้ศรัทธาภาษาบาลีวัยพรหมจันร์ 1- ถึงสาปีนั่นคือศึกษาเล่าเรียนเรียนรู้โรค้าง เรียนรูนะ้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนะีเติบใหญ่พอที่จะสร้างฐานนะเป็นผู้ที่นะทําประโยชน์ให้กับตนประโยชน์ให้กับสังคมครอบกลัวถึงขั้นโนะลกทั้งใบเลยก็ว่าไดนะ้เพราะว่าเราเรียนรู้มารู้ไวใช่ว่าใสาบ่บาแบะหามนนะจนกระทั่งเห็นมันทุกซอกทุกมุมแตกฉานไปเลยในะเรื่องวิชาการท้ายสุดล้วก็หาเงินหาทองเรียกว่าไวโภคปรมจรัน ต่อยอดมาเป็นวัยคาหัสนะฮะนะวัยคารื้อหัดพอต่อยอดเป็นวัยคารื้อหัดปั๊บคราวนี้เราก็ทํางานทําการด้วยความไม่ทุกนะหรือว่าขณะนี้กลุ่มอบจ อ, อยู่ในวัยของคฤรื้อหัดทํางานทําการแล้วทายสุดเรามาฝึกสติปัฏฐานนี่เราก็จะทางานด้วยความไม่ทุกอย่างนะท้ายสุดประกอบเสียนแก่เข้าวัยของวานประหลัด วันนับประหลัดก็คือ50ปีถึง70ปีนะขาบรูกขับดอกระหว่างที่ท้ายจะเลิกงานแล้วหรือว่าเกษียณใหม่ๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องมีวัยที่เป็นวัยที่ต้องพึ่งใจตัวเองได้มีวัยมีอายุพร้อมกับความรู้พร้อมกับธรรมะบวกเข้าไปกลายเป็นคนที่มั่นคงนสงบเย็ น, นท้ายสุดก็คือไม่งงโลกไม่หลงโลกคือมันรู้ทุกซอกทุกมุมแล้วท่องโลกกว้าง ทั้งทัศนาจรทุกซอกทุก ม, มุมทั้งวิปัสนาเห็นกายเห็นใจของตนนะก็เรียกว่าพอที่จะเล่าประสบการณ์แบ่งปันให้กับลูกกับหลานได้อย่างดีนะท้ายสุดก็คือวัยเจดสถึงสปีสัญญาสีนะวัยสัญญาสีก็คือเตรียมตัวตายนะอย่างสงบต่อไปไท้ายสุดดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟนะเป็นวัที่งดงามมากนะ เป็นวัยที่เห็นเทวทูตจนครบเลยนะการแก่การเจ็บอย่างเงี้ยนะพร้อมตายทันทีเพราะว่าฝึกตายก่อนตายแล้วนะจเจริญสติปัฏฐานจนรู้แล้วความตายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะเคยเห็นคนแก่อยู่คนหนึ่งที่จันทบุรนะีเขาอายุร้อยกับสมปีตอนสมัยเขาสาวๆอายุ30สปีนะเขาเข้าวัดนะเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวแล้วก็เอาลูกของญาติพี่น้องนะมาเลี้ยง ท้ายสุดเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมะตลอดเวลาเวลาเลยเป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเขางดงามมากเลยมีครั้งหนึ่งอาตมาไปจัดปฏิบัติจันทบุรีแล้วก็แม่คนนี้ละ่ะเขาก็มาบริจาคปัจจัย4อาหารทีนี้เขาป่วยกระทนหันขึ้นมาทับมาปฏิบัติไม่ได้เขาก็เลยนอนอยู่ที่บ้านอาตมาก็ไปเยี่ยมเหมนกะ เห็นอาการของเขาก็คือเวลาเขาตายในงามมากเลยโยบเขาสงบนิ่งเห็นพระเนี่ยเขามีอาการแบบยิ้มยิ้มน้อยแล้วก็ขณะที่เขาจะตายเนี่ยก็หันหลังให้กับทุกคนก็หันหลังให้แล้วเขาก็ทำใจกันเขาแล้วก็ตายแบบงามวางข้างหลังวางรูปวางหลังวางบ้านวางทรัพย์แล้วก็เผชิญหน้ากับโลกที่เขาเห็นของเขาเอง อาจจะเป็นโลกของสวรรค์ก็ได้หรือว่าเป็นโลกของนิพพานอย่างเงี้ยก็อาจจะทําใจตกกระไดประโจนแต่มาเชื่อว่าคนที่มีคุณธรรมระดับเนี้ยนะเขาตายด้วยความสงบละรู้ขณะที่จิตเขาจะตายเนี่ยหันหลังให้แล้วก็วางไม้วางมือก็คือนอนตายในท่าของดับขันปรินิพานเป็นท่าเดียวของพระเจ้านะอะมะโอโหเนี่ยครูบาอาจารย์นะเนี่ยก็มองเขาเป็นครูบาอาจารย์แล้วเราจะทําได้อย่างนี้ไหมต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้ ตองตายอย่างมีสติเพราะนั้นเราก็เลยไม่ประมาทกันอย่างนี้ฝึกหัดตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าตือนยันหลับเลยพร้อมเผชิญอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงมรณะภัยจะเกิดขึ้นมาหรือว่าภัยพิบัติอย่างเช่นว่าเล่มเลยก็โรคจะแตกบางคนนี่ก็เรียกว่าหนา ว, นาวร้อนๆนะนะกักตนลยากัดตนอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งหม่มหรือว่าน้ํามันพลังงานต่างๆก็ถูกกักตุลไว้ มากมายแล้วเกินนเราไม่ต้องเราเพียงแค่ว่ามีกายมีใจมีสติอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญหลวงพ่อเขียนพูดว่านะประธานส่งวัดป่าสุขโตนทนพูดว่าชีวิตเน่เราไม่ต้องมีอะไรกันมากหรอกนะ่ร่างกายของเราเนี่ยให้มีลมหายใจทุกครั้งที่เราหายใจเนี่ยให้รู้สึกตัว น, ะ น, ะนะต่อมาก็คือจิตใจของเราให้มีสติ ให้มีสติคือการ ร, ากรู้อย่างชันฉลาดเนื่องจากฝึกหัดมาพร้อมรุย่ยนะยามสงบเราฝึกยามสึกเราลบทันทีนะพร้อมนะที่จะเดินทางไปด้วยความไม่ประมาทนะทุกทุกขณะนะท่านบอกมีสองอย่างได้พอแล้วนะทั้งโลกอาจจะบอกว่ามีสตางานนั่นก็เป็นทรัพย์ภายนอกนะมันก็จริงอยู่นะสตางเป็นเรียกว่าเทพเจ้าหรือพ่อของเทพเจ้าก็ว่าไดนะ้ของคนทุกวันนี้นะ จนทางบางทีนะเราก็ไม่ค่อยนึกถึงธรรมะกันการไปิดธรรมกันไม่ค่อยนึกถึงการนี้เราจะมีขนาดไหนแต่ท้ายสุดก็คือเวลาตายไม่ได้เอาไปทรัพยภายนอกนะมันต้องการทัพยภายในนะเรียกว่าตายได้อย่างสง่างามสงบสมกับเป็นชาวพุทธนะแล้วก็พบปพุ ษ, ษาต์หนาเลยคือฝึกหัดการฝึกหัดจารสติก็มีผลขึ้นมาเป็นตัวปัญญาเห็นกายนะเห็นใจของเรา ตามความเป็นจริงจนทั้งมันเกิดการปล่อยวางนั่นะนะเป็นผลของการไปบัติแท้ๆเลยเนะมันมาเกิดการปล่อยวางขึ้นมามีผลได้ขนาดนั้นก็ทําไปนะหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้มีงานเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ทําได้ความปล่อยวางนะต่อไป ทำดีแต่ไม่ติดดีทำดีไม่ต้องยึดดีเนทำงานทั้งวันเหมือนไม่ได้ทำอะไรมันมีอยู่จริงๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำด้วยความคิดเราทำเพราะเหตุปัจจัยมันพาทำทำแล้วก็แล้วไปทำแล้วก็แล้วไปมันก็จะเป็นอั น, นิสง์อันยิ่งใหญ่ของเราต่อไปเราก็จะเกิดมงคลแก่ชีวิตของเราทำพานิพันธ์ให้แจ้งดูเมื่อกี้ที่เราสวดกันเป็นมงคลอังสูงสุดในหนึ่งอีกหลายๆวิธีสา38วิธี ที่เราสวดกันเมื่อสักครูนะ่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้การละมาสวดด้วยก็คือเราไม่เชื่อในสิ่งที่ยินได้ฟังหรือว่าเชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราหรือว่าเชื่อว่าไอ้สิ่งที่จะทําต่อไปเนี้ยนะอ้างมาจากตาําราหรือว่าทําต่อต่อกันมานะเราจะไม่เชื่อสิ่งนั้นแราจะต่อศรัทธาให้เป็นปัญญาต่อไปนะก็คือปฏิบัติแล้วทุกเราลดจริงๆแตนะ่เพราะการเห็นความคิดนะตัวนี้สําคัญไนหะ วิธีการแบบแนวหลวงปู่เทียนก็คือให้เห็นการเคลื่อนไหวของกายไห้เห็นความคิดของเราที่มันมีอยู่ถ้าเราหลงเผลอเข้าไปในความคิดนั่นก็หมายถึงว่ามันจะก่อตัวเป็นความทุกข์ต่อไปทุกครั้งที่เราเผลอจิตมันไม่ปกติมันไหลไปตรงนี้ก็คือความทุกข์เป็นอาการของจิต แต่ถ้าอยู่ในแดนของปกติในแดนของสติปัฏฐานก็ถือว่ามันเป็นไหวพิปติพันธ์แต่ร้อนแต่ว่ามันไม่มไหม้มันไม่พองมันชักกลับมาได้ทันมันเป็นอาการของสติปัฏฐานที่มันรู้แล้วมันก็ละไปในตัวมันรู้แล้วก็ปล่อยวางไปในตัวจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเดินจงกรมแต่ละขณะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยแต่ราฝึก นะตั้งแต่เบื้องต้นเราทำถูกต้องนะมันจะไหลไปเอียงไปแล้วก็แล้วนะมีอาการรุ่มรึกนะมีอาการซราบซึ้งจนกระทั้งนะเป็นคำตอบที่ออกมานะในจิตในใจของเราเองนะเพราะนั้นะตรงนี้เราจะต้องทำด้วยตัวของตัวเราเองนะนะความเชื่อนะมันเป็นแค่ความเชื่อเฉยๆศรัทธาอาจจะพาโง่หลงอมไงได้แต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วก็ทุกมันลดจริงๆอันนี้ให้เอาไปใช้ต่อไปนะ เพรดฉะนั้นการรวมตัวของเราในคราวครั้งนี้ในเย็นนี้มาทำบัตรสวดมนต์หรือว่าวันนี้ที่เราได้ปฏิบัติธรรมกันทั้งวันก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นเรื่องความรู้สึกตัวน่ะพาเราหรือว่าจิตใจของเราเดินทางสู่การพ้นทุกข์มีแต่ความสุขเกษมสารโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกรูปทุกนามเถอดกราบพระพร้อมกัน